จะแสดงมนสง์คือการสร้างพระให้ฟังคนเราชอบส่างพระทองด้วยส่วนมากเึงการลำบากอยู่จักหน่อยต้องหาวัตถุมาสร้าง ้ะเป็นทองเป็นตะกั่วเป็นเงินเป็นอะไรก็ตามเถอะแล้วก็หาช่างผู้ดีๆค่อยมาทำหุน่นทำเป้ายังหล่อเป็นรูปพระรูปองขึ้นมาอ น, นั่นเรียกว่าสร้างพระสร้างพระแบบนั้นง่ายสบายใครมีเงินมีทองก็สร้างได้ เพราะเหตุที่คนนิยมส่างเนื่องจาก่างพระชนิดนั้นส่างไว้ตั้งไว้แล้วก็แล้วไปไม่มีกตุกาจิ็ใดไม่มีแสดงอาการกิริยาใดๆทั้งหมดจึงนิยมสร้างกันมากแต่แท้ที่จริงแล้ว การสร้างสร้างอย่างนั้นไม่ได้ทำให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาเลยมากนะักเพราะสร้างพระทองอยู่กับที่ให้จะว่าดีว่าได้และเฉยๆอยู่เพราะท่านมีนมจิตมีใจ จึงไม่สามารถจะทำให้ท่านเดือดร้อนโกรธได้ก็ดีเหมือนกันที่ไม่โกรธไม่ฉาญิษยาใครก็ดีเหมือนกันแต่ตอนที่ไม่มีการเผยแพ่หลักธรรมคำสองของพระเดเจ้านัดนเสียไปหน่อยคนทั้งหลายยังชอบส่าง ส่วนสร้างพระคือคนเราให้เป็นพระนี่ยากนักแล้วก็สร้างได้ไม่นานเชด้วยสร้างขึ้นบางทีสองสามนสาหรือสามเดือนก็สึกไปเลยเพราะเหตุที่มันมีกจุกะติกมันมีการทำดีทำชั่ว เมียบะเอียดต่างๆมันจึงต้องสึกไปแต่นั่นยังไม่เท่มันได้ซื้อว่าช่างสร้างพระแท้ถ้าสร้างสร้างพระที่แท้จริงแล้วต้องบวดในสร้างพระอันนี้เป็นของไม่ต้องลำบาก ต้องหาเบ้าหาทองแห่ของมีเพราะมดบริบรณ์ทุกอย่างแต่ขอให้สร้างให้เป็นพระขึ้นแล้วกันคือการบวชที่จะให้สมบูรณ์บริบรณ์ต้องให้สร้างให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา คือว่าเมื่อจะบวชก็ต้องถึงคุณพระรัตนไตรคือถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นปรนะที่พึ่งจนตลอดชีวิตนั่นเป็นสามอย่างนะ เป็นสามข้อแล้วข้อที่สีเชื่อไม่ถือมองกุตืนข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีได้ตนเองทำชั่วได้รับผลชั่วด้ตนเองนั่นมีคนอื่น นับให้ไม่มีคนอื่นนับแทนมีข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่แสวงหาบุญนอกพุทธศาสน า, ศาคือไม่ทำบุญนอกศาสนานั่นเองมีห้าข้อถึงพระพุทธเจ้าถึงไปตามที่ประสง์ เป็นสามพกอพอที่สี่ไม่ถือมองคลถึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อคนของกับคือว่ามองคลถึงข่าวหมายความว่าถือเลอกดีงามดีถือของจังแต่กูดิปสมอนคาถาอาค ม, มาอะไรต่างๆทุกอย่าง เห็นว่าของนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ของนั้นจะวิเศษสามารถป้องกันภัยยันภัยได้ได้หลายอย่างหลายประการนั่นเรียกว่าถือมองคลตื้นผาเชื่อก ร, รมเจื่อผลของกรรมแล้วไม่ต้องถืออย่างนั้นทำดีแล้วก็ต้องได้ดีตัวตนเองทำชั่วต้องได้ชั่วตนเองคนอื่นจะมาทําให้ไม่ได้จริงอะไรจะมาทํากลม ดีให้เราไม่ได้จะมาปกป้องกำบังด้วยประการต่างๆไม่ได้ทั้งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายแน่นอนคนเครจะป้องกันไม่ได้ห้ามไม่ได้เมื่อถือมงคลเมื่อเชื่อกำจะพ้นกรรมแล้วต้องมั่นอยู่ในคุณงามความดี เราทำดีทำดีลงไปทำดีได้ประการใดๆอันนั่นเป็นของเราโดยแท้นั่นะเรียกว่าเชื่อคำเพี่ยคนของกกับไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญดำทานในศาสนาเท่านั้นไม่ถือและ ไม่ถือศาสนาอื่นนี่เป็นหางคอผู้จะบวชเป็นพระเป็นเนมต้องถึงธระณะทั้งทั้งถึงพระใจศาสนาขมทั้งห้าอย่างนี้ก่อนหาขอนี้ก่อนจึงค่อยบวชได้ ถ้าหากว่าไม่ถึงพระไตรสนาคมนี้ทางหานบวชตักเจวะปุถุไม่สมบูรณ์พุทบุตรอุบาสกอุบาสิกาที่ถือพุทธศาสนาก็อยู่ในเกณฑ์ห้าข้อนี้เหมือนกันถือมันในห้าข้อนี้ ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาโดยแท้นอกจากนั้นอีกถือห้าข้อนี้แล้วเพิ่อมอีกข้อหกคือมีสินห้าเป็นนิตคนที่มีที่ถือหกข้อนี้จะจำอยู่ ได้ชื่อว่าอารียบุคคลนีโสดาบัติบุคคลถ้าหากว่าไม่ครบบริบูรณ์ทั้งหาขอเป็นได้เพียงทายกทายิกาคือผู้ทำบุญบทังผู้ให้จริงข อ, อยังไม่ได้ชื่อว่าบาสเขาปูปาธิกาโดยแท้ นี่แหละพระไตรสนะขมนี่แหละเป็นเป็นเบื้องต้นถึงพุไรถึงพระไตรสนะขมนี่เป็นเบื้องต้นไก่อนจินจะเป็นอุบาอุบบาติกาจึงจะบวชในพุทธาศาสนาที่สูตตามนีได้การบวชไม่ใช่บวชง่ายๆ่ายบวชมือนก็บวชกล้วยบวชชีนี่ไม่ได้หรอกเราะนั่บวชได้เลยจินหวานเลยทีเดียว อาหานหวานเลยอันนี้ยังยังวม่ฉันหวานก่อนเมื่อถึงแรกไตรสนาคมแล้วบวชเป็นภิกษุสามเณรยังอีกมากมายกยิจวัดขอวัดที่จะต้องทำกิจวัดอันใดที่ภิกษุสามเณร ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสุจริตอยู่แล้วยังมากมายกว่านั้นอีกแต่พระไกรปิฎกคมที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะทําให้ถูกอย่างนั้นทีเดียวก็หาไม่แท้ที่จริงคือมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่ด้วยตนเองมันเกิดขึ้นมาด้วยตนเอง ผู้ที่ไม่เกิดด้วยต่เองจะไปดัดแปลงแก้ไขยังไงให้มันเป็นไปมักง่อเป็นไปในช่วระยะหนึ่งเท่านั้นเนี่ยง้วมันก็กลับไปอีกเสื่อมศูนย์ไปอีกเหมือนกับคนทํานาหรือมันกัคนค้าขายเราสมัครใจอย่างนั้นเหมือนกับคนทำนาราชการเขาก็สมัครใจอย่างนั้น ยังเรียกว่าต ร, ราชแต่ษ่าในคนทานาในคน ค, นาคน้าขายไกล้ศาสนาคมกว่าเช่นนั้นเหมือนกันแต่ท่านบัรยัติแต่ท่านพูดสามหลังแต่ท่านพูดตามที่ต้อเป็นจริงอันนี้พูดให้ฟังชิวยๆให้เราไม่ใช่บังคับให้เป็นให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาบังคับก็ไม่ได้ ต้องเกิดเองเช่นเองพุทธศาสนาจะถาวรรุ่งเรืองต่อไปต้องอาศัยหลักห้าสการนี้อยู่ในจิตใจของใครประมาณทุกทุกค น, นจะมั่นคงถาวรต่อไปได้ถ้าหากว่า ในมั่นคงแล้วเลี้ยวๆไหลๆข้อสงคัญที่เชื่อกมเชื่อคนของกมเราจะไปละกระไกลสนาคมข้อใดข้อหนึ่งเพื่อประโยชน์อาชีพเพื่อประโยชน์ตั้งคมเพื่อประโยชน์แก่การ ง, งานของตน อันนันไม่ได้ถ้าหากว่าเราเชื่อเราเห็นสิ่เชื่อมนันในเชื่อกรมเชื่อผลของกรรมแล้วมันต้องแน่ว แ, แน่เต็มที่ไม่ยอมขาดชีวิตขาดสือดับศูนยังดีกว่าที่เราขาดทางพระใครปิฎกมนต์ั่นเ ชีวิตเป็นของไดง่ายใครใครยังมีที่เรศที่ต้องเกิดทั้งนั้นส่วนที่จะเห็นที่จะถึงสัพพุทธธรรมประสงค์เชื่อกรรมเชื่อผลของกรมกรมมียากนะลองคิดดูคนเราถ้ามีที่เรศก็ต้องตายตายแล้วก็เกิดอยู่นับกบกันชาลเน น้กเกิดก็ไม่ใช่เกิดเป็นคนอย่างเดียวเป็นศักษาท่าชิงประการเกิดขึ้นมาแ้งเกิดเป็นคนนั้นก็ยังไม่ถึงพระราชนะรัยก็มีมากมายห ล, า, หลายเห็นนั้นยังว่าชีวิตจะดับศูนย์ลงไปก็ไม่ยอมขาดพระคัสนาครบ ก็เป็นของหาได้ยากอย่างที่ท่านพูดทั้งเรื่องลุ่ภพักหาถาที่ยวจิตโฉมนุสสะติลาภุกกา ร, รฐฐฐฐที่ได้ก เ, กเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แสนยากทีสุดเหมือนจะ มีช่องอันเดียวแต่ช่องที่มันถูกนั้มีอันเดียวช่องนี้มันไม่ถูกนะั้นนับในถวนคือว่ากำเนิดของสัตว์มากมายเหลือที่จะกำเนิ น, นานับแต่มนเกิดเป็นมนุษย์ในช่องเดียวนี้เดียวถึงเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังไม่ก็ น, นับถือพุทธศาสนาเที่ติดใจตดใก็มากมายังหลัง นี่เห็นว่ายากที่จะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แต่ละยากที่จะถึงพระพุทธศาสนานี่ว่าจิตฉันมัตต์จิตโสพุทธ า, น, า, า, า, ทธานมุขปะโทการที่พระพุทธเจ้าจะเกิดนมาแต่ละองค์ไม่ใช่ของง่ายการพระพุทธเจ้าเกิดนมาชั่วพระองค์หนึ่งเรียกว่าพุทธันดอนตั้งร้าย หมื่นหลายแสนปีเกิดขึ้น ม, มากันอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เพียง80ปีก็นิพพานแต่ท่านไหนตะสลูยังเหลื อ, อยังเที่ยวต่างก่อนในไสยศาสตร์อยู่เพียง45ปีเท่านั้นนิดเดียวนั่นคืนิพพานเลยใช่ไหม เมื่อพระุทธเจ้นี้พ่านมาแล้วก็ยังเหลือแต่คำกลาของพระพุทธเจ้าเขาก็พาสมุนไ ว, นว ย, ย่างนี้แหละหรือสิทธิทจะถู ก, ถก น, น, นี้พุ่นไมได้นอยู่เนี่ยพาะมีตัวจริงพ่อพระพุทธเจ้าท่านดับไปแล้วในพิพัฒน์สิทิได้จริงจังไม่ว่าชิดโฉภุตานุปปถุขันเกิดตนมาแต่พระองค์แต่ละองค์งงงงมีขกยากแสนยาก ชังวตธรรมวจน์นั้ยากที่จะได้ฟังทรทมคำสอนเริายาวเกิดยากเขาบริจาติศาสตร์สัญญานอยู่หกปีจึงได้สำเร็จมรรคผลนิพพา น, ถ, นถึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ยากที่จะแนะนำจังสอนให้มนุษย์ชาวโลก รู้เห็นตับจนพระองค์ท่อพระไทยเกือบจะไม่สอนพวเกเราเยอะเพราะธรรมะเป็นของลึกแล้ละเอียดทุกคุมมากเท่กว่ากลัวคนยังไม่เขา้าใจเท่กว่ากลัวคนจะไม่รู้เรื่องเพราะเป็นของลึกซึ้งทุกขุม คิดชั่งสมรสวันดังการที่จะได้ฟังธรรมการที่ทำจะได้ฟังธรรมก็เป็นของอยากคิดชั่งมาจ่ายชีวิตต่างอีกชีวิตของเราน้อยนะเป็นของอยากเหลือเกินที่จะเกิดเอาอยู่ได้ก็เป็นของอยากอย่างพวกเราเกิดสมาชีวิตของเราแสนทุเรศทุรัง จะเกิดมาจนป่านนี้เลยผ่านอุปสกรคนับนานับปรารเหเือที่จะขนานนานครับบางคนก็ไม่ผ่าน เ, นยเลยขาดศูนย์ดับศูนย์ไปแค่ตรงนี้อย่างพวกอย่างรุ่นเราเราเขาเดียวของพวกเรา ตัวทุพสัตว์สตแสดงขัดค้องดับศูนยญพระเจ้าก็มีอันนี้เรามาป่านนี้มีอายุยืนหนาละป่านนี้แล้วได้พบทำคำัมภีร์พระพุทธเจ้านัดได้ที่ว่เป็นพระค่าบันดียริงดังนั้นพรคายหาท่านเทศนาสี่อย่างเป็นของอาได้ยากเหตนั้นพวกเราที่ได้มาประสบ ศาสนาธรรมครั้งสองพระเจ้าสอนให้เรารู้จักจิดจะถูกจะดีจะชั่วสอนม่ให้เราหลงมัวเมาเขึ้นมาไม่เชื่อว่าเป็นโชคลาภมันดีที่สุดพืะอทรคุณกระธรเราไม่รู้จักกะทำ ก็ทําเป็นเพื่อนในตัวเราครูอสอนให้เราละชั่วทาดีนะานั่นนั่นแหละคือตัวปรทใครจะสอนจะสอนก็นตามถือท่าหาูเรารู้เองเอ ง, เองก็ตามเันเป็นประทับเหมือนกันหรือมีคนอื่นสอนนั่นก็เป็นประทับเหมือนกันใครแนะนำตะกเตือน้วยว่าตัวเล็กเ็กน้อยใครใก็ตามมาันตกเตือนให้เราละชั่วทาดีเห็นผิดเห็นถูกนั่นแหะเรื่อง พระธรรมเป็นตัวในตัวเลยพระธรรมย่อมตามรักษาผู้ปฏิบตัติใม่ตกไปในที่ชั่วถ้าหากผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระธรรมจริงจังแค่นั้นคนนั้นไม่สามารถตกไปในที่ชั่วขึ้นเห็นพระธรรมเตือนอยู่เสมอชั่วเราจะรู้ดีก็รู้คือความรู้วันที่เรารู้ดีรู้ชั่วนั่นแหละัวพระธรรม ที่ดื้อด้านต่างหากคนเราดื้อเค้นจิดแล้วแต่ไม่ยอมละผิดตนั่นแหละลบหลู่ไปทำไม่เชื่อทำคำสอนตัวเดียวถ้าเห็นผิดแล้วก็รู้จักผิดจึงว่าเชื่อกรรมเชื่อผลกรรมละชั่วไม่ทําจิตทําชั่วนั้นอ น, นั้นแหะ ถึงซึ่งพระธรรมแท้ที่เดียวนี่การสร้างพระคือสร้างคนให้เป็นพระแท้จริงเพราะมวลบริบูรณ์ว่าจะได้ไม่ต้องแสหาโลหะมาสร้างหรอกขอให้สร้างพระให้เป็นพระขึ้นมาในตัวของเราให้เป็นคนดีขึ้นมาในตัวของเรา ให้เห็นดีชอบแล้วละชั่วทำดีแล้วนั่นแหละเป็นพระเกิดมาในตัวเราไม่ต้องมากมายเป็นฆราวาสดูก็เป็นพระเหมือนกันบวชเป็นพระแล้วไม่ใช่จะดีวิเศษอย่างเดียวเปิดพระเองทาชั่วได้เหมือนกันเป็นฆราวาสแตหากว่าละชั่วทำดีนั่นก็เป็นพระเหมือนกันต้องเป็นพระเสียก่อน ในใ จ, จเั็นผ้ายกันจึงค่อยว่าบวาเป็นผ้าได้ดีนั่งภาวนากันทึกคือการทำความสงบแต่เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยสงบสักทีทำความสงบให้อยู่ในอารมณ์ันเดียวธรรมะท่านแสดงไว้กว้างขวางถึงเรื่องศิน สมาี่สัญญาหลายอย่างถ้าหากเราจับตัวใจให้จิวในอารมณ์ันเดียวแล้วอารมณ์คือยึดสิ่งที่เราไปยึดไว้แล้วว่าเรียกว่าอารมณ์ันเดียวเช่นสีดาสติมราเลือกถึงสีน องตนอยู่ในโดยเฉพาะไม่ส่งไปในที่อื่นแล้ทั้งเป็นธรรมปฏิกรรมภาในตัวทำให้จิตสงบอยู่ในที่เดียวเป็นนั้นถูกต้องนักปฏิบัติกรรมฐานแต่ไปหลงกรรมฐานเสียหนิอารมณ์ของกรรมฐานท่านแสดงไว้ร้าย มากฝ่ายลายอย่างทั้งสี่จิตอารมเช่นกสิณจิตอันอุทกภาสจิตอนกสติจิตอั 40, อปปัญาสี่อาหาราปฏิกูลหนึ่งธาตุวัฏถานหนึ่งอนุปชาหนึ่งนอกจากนี่เจสาีอาจารย์ยังบันกระดิดชิดเอา มาเป็นอารมณ์กรรมฐานอีกมากมายนักกรรมฐานทั้งหลายไม่รู้จะไปจับเอาอ่าได้เป็นดักอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเลยจับไม่ติดสักขันเรียกว่าหลงเช่นหลงเช่นคนหลงป่า มองดูที่ไหนก็เหมือนทางนั้นก็ใช่ทังนั้ น, น, นในคนที่สุดก็เลยคว้าเล้ยวมดถ้าหากเราโอเดียว <c oughs> เช่นชีรานสติมาถึงสิ่เแถข้อเดียวเท่ก็เอาหรือจะเอาห้าข้อก็เอาให้ตั้งมั่นอยู่ในที่เดียว มันก็รวมจิตลงไปเป็นสมาธิได้จิตของเรารวมเป็นหนึ่งได้แล้วคราวนี้ศิลไม่มาจินตัวเดียวครว่าฐานก็ไม่ใช่อื่นไกลคือจิตรวมเป็น น, นหนึ่งเดียวนั่นเองที่ท่านเรียกครรมาฐานสี่จิคือได้สี่สิบปูบายนั่น มารวมลงเป็นอันเดียวนั่นหมดอันเดียวหมดไม่ต้องไปหาอื่นไกลที่ทรงไปหาโน่นหานี่นั่นนั่นแหละมันไม่อยู่ไม่ถูกสิ่งที่ถูกมันต้องรวมลงมาที่จิตแห่งเดียวทั้งหมดเองทั้งหมดเลยความประสงค์ต้องการให้จิตรวมเป็นอันเดียว รวมลงเป็นอันเดียวแล้วนั่นแหลศีลจึงจะรักษาตัวของเราสมาธิรักษาตัวของเราเมต้องไปรักษาศีลและสมาธิเยืนเดินนั่งนอนคุมตัวของเราอยู่ตลอดเวลาและต้องไปรักษามันที่ว่ารักษารักษานั้นคือส ม, มุดปัญญ เจตนานั่นเองเจตนามีรัตติงดเว้นแล้วก็จะรวมลงมาคุ้มครองเราอยู่ในตัวหินก็รักษาง่ายสมาธิก็รักษาง่า ย, าาายเหตุ น, นั้นทำสมาธิให้จิตมั่นแน่แน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเชียก่อน อย่าทำอย่างในจิตของเราจะลงเป็นอันหนึ่งคือให้มาพิจารณาอันเดียวอย่าท่งใายไปในที่ต่างๆทรงงมันเป็นเรื่องของเก่านั่นแหละเทศนาเรื่องของเก่ามันได้มีสิ่งดีสุดคิดนึกวันข่า ก่อนเรื่องของเก่านั้นเฮ้ยก่อนเรื่องของเก่านั้นเนี่ยเจ็เปลี่ยนนามาใหม่ต้นเขามันจริงๆก็ของเก่านั่นเองโดยสรุปรวมลงแล้วว่าคนเราเกิดมาในกามโลกนี้อยู่ในกาเมคุณหาท้งนั้น รูปเทียงกินรส โ, โภชภะธมารกมันก่ออยู่ในขั้นทั้งมันก่ออยู่ในนั่นทั้งหมดแค่แพหาที่ไหนอีกรูประโรครูปประโลกมันก็อยู่ในที่นั่นแต่นั้นอย่าไปพูดถึงเลยพูดเรื่องมนุษย์ของเรานี้เสียก่อนมันวนวหาย ไ้มาอยู่ในไม่มีที่สิ้นที่สุดทั้นหาประมวลเรื่องทั้งหลายแล้วประมวลกันเข้ามาแล้ว